วันนี้เป็นวันศุกร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพระปิยมหาราชพระกษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอย่างยิ่งต่อประชารชาน ของชาวไทยพวกเราจึงได้มีโอกาสได้หยุดการทำงานเพื่อจะได้มีเวลามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราวันนี้เราจะมาฟังเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเราชาวพุทธว่าพระพุทธเจ้ากับพวกเราชาวพุทธนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเราก็คือ พ่อกับลูกนั่นเองพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนพ่อของพวกเราพวกเรานี้เป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นลูกเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับบรดกจากพ่อของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านจากพวกเราไปแล้ว ท่านกระทิ้งมรดกให้กับพวกเรามรา ด, มรดกที่พระพุทธเจ้าให้กับพวกเรานี้เราจะไม่รู้ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรถ้าเราไม่เปิดพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกับ <c oughs> ที่เวลาพ่อแม่ของเราตายเรายัางไม่รู้ว่าพ่อแม่ทิ้งทรัพย์สมบัติให้กับเราไว้เท่าไหร่ พอเราไปเปิดมาราดกดูพินัยกรรมดูก็จะเห็นว่าพ่อแม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆไว้ให้กับเราพวกเราฉันใดพวกเราถ้ายังไม่ได้เปิดดูพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้กับเรามาก แต่พอเราได้เปิดพินัยกรรมเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ทิ้งสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรา<ม>การที่จะดูพินัยกรรมนี้ก็คือการศึกษาพราะธรรมคำสอนนี้เองศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรไว้ให้กับพวกเรา<ม>พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้านี้ได้ทิ้งได้ทิ้งสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเราสมบัติอันล้ำค่านี้คืออะไรก็คืออริยสมบัตินี่เองอริยทรัพย์อริยสมบัติที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเงินทองของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก เงินทองของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแม้จะมีเป็นล้านล้านบาทก็ตามแต่เงินทองของเศรษฐีนี้ไม่สามารถซื้อสิ่งที่อริยทรัพย์จะซื้อให้กับพวกเราได้สิ่งที่เงินทองทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถซื้อให้กับพวกเราได้คืออะไรก็คือวิมุตติธรรม คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากสังสารวัฏโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่สามภพด้วยกันเรียกว่าไตรภพและซื้อนิบบานังปรมังสุ ข, ขังก็คือบรล ม, มัสุขของพระนิพพาน นี่คือเสิงที่เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนี้เงินของเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนี้ไม่สามารถจะซื้อให้ได้เศรษฐีอาจจะซื้อกองทองคกองเท่าภูเขาได้ซื้อรถเก๋งราคาหลายสิบล้านได้ซื้อคอนโดราคาหลายล้านหลายพันล้านได้แต่จะไม่สามารถซื้อวิมุติธรรม การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่สามารถจะซื้อนิบานังปรมังสุ ข, ขัง<ม>คือภาพบร ม, มสุขของพทวนิพานได้<ม>ต้องใช้อริยทรัพย์เท่านั้นที่จะสามารถซื้อได้<ม>ดังนั้นพวกเรานี้จึงเป็นเหมือนกับลูกของมหาเศรษฐีที่แท้จริงของโลก<ม>อันดับหนึ่งของโลกเลเ<ม>พราะทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรานี้ จะทำให้เราสามารถซื้อสิ่งที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในโลกนี้จะสามารถซื้อให้กับเราได้นั่นก็คือวิมุตติธรรมวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องหวาดกลัวกับภัยต่าง ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติภัยจากเชื้อโรคเช่นตอนนี้ภัยจากาบุคคลที่ไม่ดีภัยจากสภาพของเศรษฐกิจต่างๆความหวาดกลัวเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ที่มีวิมุตติธรรมผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แล้วก็จะได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่พวกเราได้จากราบยกสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้สู้ความสุขที่เราจะได้จากพระนิพพานไม่ได้เราจึงเรียกว่าเป็นบรลมมสุข นิพพานังปรมังสุ ข, ขังการที่เราจะได้วิมุตติธรรมได้ได้นิพพานความสุขของพระนิพพานนี้เราต้องมีอริยศัพย์เราต้องเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้เป็นชาวพุทธนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกอันนี้ได้เหมือนกับถ้าเราไม่ได้เป็นลูกของเศรษฐีเราก็จะไม่สามารถไปขอรับมรดก จากเศรษฐีได้ <Yeah. S 1> แต่พอเราเป็นลูกแล้ว <Yeah. S 1> เราก็มีสิทธิ์ <Yeah. S 1> ที่จะไปรับมรดกของเศรษฐีได้ <Yeah. S 1> นี่คือความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> พวกเราเป็นชาวพุทธ <Yeah. S 1> เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและในคำสั่งสอน ของภาษาวอกของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะรับอริยสัพปอริยรัพย์จากพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้การที่เราจะรับอริยรัพย์ได้นี้ <c oughs> ก็มีเงื่อนไขคือมีข้อแม้ หรือมีข้อปฏิบัติที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้านี้สอนให้พวกเราสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมา <Yeah. S 1> เพราะว่าทรัพย์อริยทรัพย์นี้พวกเราจะต้องเป็นผู้สร้างกันขึ้นมาเอง <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าสร้างให้กับพวกเราไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้สร้างอริยทรัพย์ได้ yeah. ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราจะไม่รู้วิธีสร้างอริยทรัพย์พวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรับอริยทรัพย์จากพระพุทธเจ้าได้ไม่มีวันที่จะเข้าถึงอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าได้ <Yeah. S 1> ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสอนมาบอกพวกเราอีกทีนึง <Yeah. S 1> ถ้าพวกเราอยากจะรับมรดก คันลค่าคืออริยทรัพย์อริยสมบัติของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าสอน mm hmm. การที่เราจะได้อริยทรัพย์นี้สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือเราต้องตัดสังโยชนิสิบประการด้วยกัน mm hmm. สังโยชน์นี้เป็นเหมือนเชือกที่รัดใจของพวกเรา ให้ติดอยู่ในสังสารวัติให้ติดอยู่ในตายภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายที่มีเชือกมัดมัดปากเอาไว้แล้วก็ผูกไว้กับต้นไม้จะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะมีเชือกรัดตัวสัตว์ไว้คือวัวควาย เจ้าของเวลาที่จะป้องกันไม่ให้วัวควายหนีไปเขาก็ต้องมีเชือกมัดไว้ไเชือกมัดบากแล้วก็ไปมัดกับต้นไม้หรือต้นเสาสัตคือวัวควายก็ไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้ฉันใด จ, จิตใจของพวกเราหรือดวงวิญญาณของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนวัวควายนี้ ที่มีเชือกรัดคอไว้แล้วก็ผูกให้ติดไว้กับสังสารวัฏคือไตภพให้ติดอยู่ในภพในกามาภพในรูปภพในอรูปภพไม่สามารถที่จะหลุดออกจากไตภพนี้ไปได้ถ้าไม่ตัดเชือกที่รัดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่กับไตภพ เราต้องมาตัดสังโยชน์และสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็คือปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาก็เหมือนกับไม่มีมีดเวลาจะตัดเชือกที่ผูกรัดตัวโคไว้กับต้นไม้ก็ต้องมีมีมีมีดมาตัดพอมีมีดตัดเชือกได้เชือกก็ขาดพอเชือกขาดแล้วตัววัวควายก็สามารถ ไปสู่อิสรภาพได้ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เป็นสัตว์รับใช้ทำงานให้กับเจ้าของอีกต่อไป <Yeah. S 1> ใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราได้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้มาตัดสังโยชน์ที่เป็นเหมือนเชือกรัดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่ในตายภพเนี่ยพอเราได้ปัญญาแล้วเราก็จะสามารถ ตัดเชือกคือสังโยชน์ที่ผูกมัดจิตใจของพวกเหล่านี้ให้ขาดออกจากกันได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บใจในสังสารวัฏในตายพบอีกต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะว่าตราบใดถ้าเรายังมีการ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ตามนั้นเราก็ยังจะต้องเจอความทุกข์อยู่เหมือนกับที่พวกเรากําลังเจอกันอยู่ในขณะนี้พอ <Yeah. S 1> เราเกิดมาแล้ว <Yeah. S 1> เราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆ <Yeah. S 1> ความทุกข์ของร่างกาย <Yeah. S 1> ความทุกข์ที่เกิดจากความหิว <Yeah. S 1> uh, อาหารหิวน้ํา ความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความแก่แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากความตาย <Yeah. S 1> ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเกิดมามีหรือจนก็ตามสูงหรือต่ำก็ตาม <Yeah. S 1> ทุกคนนี้จะต้องเจอความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้น มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ไม่เจอกับความทุกข์ก็คือต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นและการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องตัดสังโยชนิสิบข้อนี้ให้ได้ถ้าเราตัดสังโยชนิสิบข้อได้ <Yeah. S 1> ก็เหมือนเราตัดเชือกสิบเส้นที่ผูกมัดใจของเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ หลัดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานที่เป็นที่ที่สงบเหมือนตอนนี้ย่าโยมไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เพราะภายใต้ร่มไม้มันเย็น แต่ถ้ามานั่งกลางแดดนี่มันจะร้อนนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างนิพพานกับสังสารวัฏ ส, สังสารวัฏนี้เป็นเหมือนที่นั่งกลางแดดนั่งกลางแดดแล้วเดี๋ยวก็ต้องร้อนไม่สบายแต่พอไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ก็จะไม่มีแสงแดดมาสร้างความร้อนให้กับเราเราก็จะนั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้ได้อย่างสุขอย่างสบาย นี่คือความแตกต่างระหว่างสังสารวัตรกับนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขสังสารวัตเป็นที่ร่มร้อนด้วยความทุกชนิดต่างๆที่พวกเราสามารถที่จะแยกตัวเราออกจากสังสารวัตได้ถ้าเรามีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สอนวิธี ให้พวกเราแยกตัวเราให้ออกจากกองทุกข์ของสังสารวัฏให้ไปอยู่ภายใต้ความร่มเย็นของพระนิพพานได้นั่นนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าคือปัญญาวิธีตัดสังโยชน์ที่พาให้เราติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีปัญญา ที่พระพุทธเจ้าสรงสอนแล้วเราก็จะสามารถเอาปัญญานี้มาตัดสังโยชน์ที่มีอยู่ภายในใจของเราที่ผูกมัดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้ขาดไปให้หมดสิ้นได้่ังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีหรือต้องสร้างกันขึ้นมาก็คือปัญญานี้เอง ปัญญาที่เราจะต้องสร้างนี้ก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้มีขั้นมีตอนก่อนที่เราจะได้ดอกผลของต้นไม้เราต้องปลูกต้นไม้ก่อนเช่นเราไปเอาเมะลดพืชของต้นไม้มาลงดินก่อนลงดินแล้วเราก็เริ่มดูแลรักษาคอยมันลดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อย มเมล็ดพืชที่อยู่ในดินต่อไปก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นกล้าเล็กๆก่อนแล้วถ้าเราคอยรักษาคอยป้องกันคอยดูแลไม่ให้อะไรมาทำลายต้นกล้าต่อไปต้นกล้าก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาสูงใหญ่ขึ้นมาตามลำดับจนเป็นต้นไม้ใหญ่ได้พ อ, อได้เจริญเติบโตเต็มที่ ต้นไม้ก็จะเริ่มออกดอกออกผลให้ <Yeah. S 1> ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ <Yeah. S 1> มีสามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าปลูกฝังเอามาดัดพืชลงดิน <Yeah. S 1> ก้อนที่สองก็การทานุบำรุงต้นไม้ที่ยังไม่ใหญ่ ให้เจริญเติบโตให้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ข้อที่สก็คือเก็บเกี่ยวอดอกผลที่ออกจากต้นไม้นั้นปัญญาของพระพุทธเจ้านี้แบ่งไว้เป็นสามระดับด้วยกันระดับแรกคือการปลูกฝังปัญญาของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจของพวกเรา ปัญญาระดับนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาคือการเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฝังไว้ในใจของพวกเราด้วยการได้ยินได้ฟังนั่นเองเช่นวันนี้เรากําลังฟังธรรมเราฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงนํเอามาสอนพวกเรา <_. S 1> ก็เท่ากับเราได้นําเอ า, มาเมล็ดพืชของปัญญาของพระพุทธเจ้า เข้ามาสู่ในใจของพวกเราเมื่อเราเอาเข้ามาสู่ในใจแล้วเราก็ต้องรักษามเมล็ดพืชที่เราเอามาฝังไว้ในใจของเรานี้ให้เจริญงอกงามเติบโตไม่ให้ถูกอะไรทำลายไปเราก็จะนำเอาคำสอนต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปทบทวนไปพิจารณาอยู่เนืองๆว่า พวกเรานี้เป็นดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพถ้าพวกเราอยากจะออกจากตายภพเราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ปัญญาที่จะได้นำเอาม า, ม า, มาตัดสังโยชน์ที่ติดอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไป เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปดัง <Yeah. S 1> นั้นเราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนเพื่อให้เราเกิดปัญญาขึ้นมา <Yeah. S 1> ปัญญาที่เราจะใช้ในการตัดสังโยชน์นี้คืออะไร <Yeah. S 1> ก็คืออริยรรสัจสี่และใตรักนี่เองอันนี้จังทุกขงังอนัตตา <Yeah. S 1> อริยรรสัจสี่จะสอนให้เรารู้ว่า ความทุกข์ของพวกเราความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากกิเลสตัณหาของพวกเราเกิดจากความโลภความโกรธความอยากต่างๆของพวกเราพอเวลาที่เรามีความอยากได้อะไรใจของเราก็จะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีจะอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องดิ้นหาสิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมาทันที การดิ้นรนของใจนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์แล้วไม่สบายอยู่ไม่เป็นสุขนะนี่คือทุกข์ที่เกิดในใจของพวกเราเกิดจากความอยากและความอยากเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยเพราะความอยากของเรานี้เราต้องมีร่างกายตอบสนองความอยากของเรา เราอยากได้อะไรเราอยากได้รูปเสียงกดลิ่นรสมาเสพมาสัมผัสนั่นเองเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากจับนู่นจับนี่อยากสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้การที่เราจะทําตามความอยากของเราได้เราก็ต้องมีร่างกายนี่ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเราถึงจะสามารถที่จะดูรูป ฟังเสียงดมกลิ่นลิมรถและสัมผัสสิ่งที่มากระทบกับร่างกายได้เราจำเป็นจะต้องมีร่างกายเพื่อตอบสนองความอยากของเราเวลาที่ร่างกายเราไม่ตอบสนองเช่นเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกาย ตอบสนองความอยากของเราได้ <Yeah. S 1> พอเราไม่สามารถใช้ร่างกายทำตามความอยากได้ใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าหมอง <Yeah. S 1> มีแต่ความซึมเศร้า <Yeah. S 1> มีแต่ความทุกข์เ <Yeah. S 1> พราะไม่สามารถหาความสุข <Yeah. S 1> เหมือนกับตอนที่ร่างกายแข็งแรงได้ <Yeah. S 1> นี่คือโทษของการมีร่างกาย ถึงแม้ว่าร่างกายจะสามารถหาความสุขให้กับเราได้ในเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปช่วงที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากของเราได้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ใจของเราจะต้องพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ในใจเมื่อใจไม่ตายความอยากก็ไม่ตายไปกับร่างกายความอยากนี้ก็จะเป็นตัวที่จะดานให้เรากลับมาเกิดใหม่จะดานให้เรากลับมามีร่างกายอันใหม่ เพื่อจะได้ตอบสนองความอยากของเราใหม่อีก <Yeah. S 1> นี่คือที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดที่พาให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากมีร่างกายความอยากใช้ร่างกายนี้ <Yeah. S 1> พาเราไปทำอะไรต่างๆ <Yeah. S 1> ถ้าเราอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> เราก็จำเป็นที่จะต้องมาหยุดความอยากนี้ให้ได้ และการที่จะหยุดความอยากนี้ได้เราก็ต้องมีมีดมีดที่เราต้องมีก็คือปัญญานี่ปัญญาสขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฝังขั้นที่สองปัญญาที่เกิดจากการทบทวนพิจารณาอยู่เนืองเนืองทบทวนอยาอยุสัตสีเรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้องตัด ความอยากต่างๆให้หมดไปในใจให้ได้ <Yeah. S 1> การจะตัดความอยาก <Yeah. S 1> ก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่ใจอยากได้ <Yeah. S 1> คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราอยากได้นี้ <Yeah. S 1> เป็นของชั่วคราว <Yeah. S 1> ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการสิ้นสุดลงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป <Yeah. S 1> หมดไปก็ทำให้เราทุกข์ <Yeah. S 1> ทุกข์เราก็ต้องไปหามาใหม่ yeah. หาได้ก็สุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่หาไม่ได้ก็จะทุกข์ไปยาวถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องเลิอกอยากในสิ่งต่างๆให้ได้ด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะทําให้เราทุกข์เวลาที่เขาจากเราไปเช <Yeah. S 1> ่นเราอยู่คนเดียวเราเหงาเราอยากมีแฟนพอเราไปได้แฟนมาเราก็มีความสุข แต่เดี๋ยวแฟนจากเราไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็จะกลับมาอีกนะฉนั้นนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดต้องแก้ด้วยการหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากจงไม่ทำได้ก็ต้องมีปัญญาระดับที่สามคือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน mm hmm. ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่มีกำลังที่จะเอาไปใช้หยุดกับความอยากต่างๆได้เราต้องมีสมาธิมาสนับสนุนเพื่อจะได้ทำให้เป็นปัญญาระดับที่สามระดับที่สองเราเรียกว่าจินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้หลงไม่ให้เลว สิ่งที่เราเรียนรู้แล้วนี้ถ้าเราไม่เอามาคิดเดี๋ยวเราก็ลืมได้เหมือนเด็กนักเรียนนี่เวลาไปเรียนในห้องเรียนเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็ยังต้องมาทำการบ้านต่อนะเพื่อที่จะได้ทบทวนเพื่อที่จะได้ไม่ลืมสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียนเพื่อที่จะเอาไปใช้เวลามีการสอบจะได้สอบผ่านได้ปัญญาระดับที่สองนี้ก็เป็นเหมือนการทาการบ้าน เป็นการพิจารณาอยู่เนืองๆสอนใจอยู่เนืองๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็มีดับมีมาแล้วก็มีไปถ้าไปอยากให้อยู่กับเราไม่อยากให้ไปเวลาเขาจากเราไปก็จะทำให้เราทุกข์กัน <Yeah. S 1> ให้สอนใจอยู่เรื่อยเพื่อจะได้หยุดความอยากให้ได้ <Yeah. S 1> แล้ว ก็จะดำไปสู่ปัญญาขั้นที่สาคือปัญญาขั้นที่สองนี้ถึงแม้อยากจะหยุดก็ยังหยุดไม่ได้รู้ว่ า, าสิ่งที่เราอยากได้เป็นของชั่วคราวแต่ก็ยังอดที่อยากไม่ได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่มีกําลังหยุดเราต้องไปสร้างกําลังหยุดด้วยการเจริญสมาธิด้วยการปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิ หยุดใจนี่เองการนั่งสมาธินี้เพื่อมาหยุดใจ <Yeah. S 1> ถ้าหยุดใจได้ก็หยุดความอยากได้เพราะความอยากนี้อยู่ที่ใจ <Yeah. S 1> ไปกับใจถ้าใจคิดมันก็อยากได้แต่ถ้าใจหยุดคิดมันก็อยากไม่ได้ <Yeah. S 1> Entonces, เราร <Yeah. S 1> ต้องมาทาสมาธิเพื่อให้ใจหยุดคิดให้ได้เ <Yeah. S 1> พราะเวลาใจหยุดคิดแล้ว <Yeah. S 1> มันก็จะหยุดความอยากได้ yeah. พอเรามีสมาธิและเรามีปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์เวลาที่มันไม่เที่ยงเราก็จะได้ไม่ไปทำตามความอยากไม่ไปเอาสิ่งที่เราอยากได้มาอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องทุกข์กับใครพอมีใครแล้วต้องทุกข์กับเขาทุกข์กับเขาเวลาที่เขาอยู่ทุกข์กับเขาเวลาที่เขาจากเราไป ความทุกข์เกิดจากความอยากของเรานอนนั่งก็อยากให้เขามาพอเขามาก็อยากให้เขาอยู่พอเขาไม่อยู่พอเขาไปก็ทุกข์อีกเราต้องสอนใจให้เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆแล้วเรามาฝึกใจนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเรามีใจที่สงบเราหยุดใจได้เรียกว่าเรามีอุเบกขา อุเบกานี้จะทําให้ใจเราเฉยกับความอยากได้เวลาเกิดความอยากเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่รู้ไม่ชี้อยากได้นู่นอยากไม่ดิอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็เฉยเฉยพอเฉยเฉยความอยากมันก็ไม่สามารถที่จะมาหลอกให้เราไปทุกข์กับสิ่ ง, งต่างๆได้ต่อไปเมืม่อเราไม่ต้องมีอะไรเราอยู่ของเราคนเดียวได้อยู่กับสมาธิได้ เราก็อยู่อย่างมีความสุขได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรพอไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอ น, นี่คือวิธีการสร้างปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเอามาฝังไว้ในใจของเราก่อนสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นเราก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเหมือนพระพุทธเจ้า เราก็ต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจสี่พระพุทธเจ้ารู้ใตรักษอานิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเราก็เอามาสอนใจเราให้รู้ว่าอริยสัจสี่คืออะไรให้รู้ว่าใตรักอานิจจังทุก ข, ขังอนัตตาคืออะไรพอเรารู้แล้วพอได้มาแล้วเราก็ต้องรักษาด้วยการหมั่นสอนใจพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เทีย่ยงมันจะให้ความทุกข์กับเราเวลามันจากเราไปอนัตตาเราไปควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ <Yeah. S 1> พอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่กล้าอยากอีกต่อไป พราะเรารู้ว่าถ้าเราไปอยากถ้าเราไปได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วหมดไปพอเขาเปลี่ยนไปหมดไปก็จะทําให้เราทุกข์ใจอันนี้คือขั้นที่สองเอามาคิดอยู่เรื่อยๆพอได้ความรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วได้อริยาศาสตร์ได้ตายรักมาแล้วเราก็ต้องมาหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆเป็นการเหมือนกับ ทำนุบบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตแต่เราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะฝังอยู่ในใจมันจะไม่ลืมแล้วพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะเตือนเราทันทีว่าอย่าไปเอานะเอาไปไปเอามาแล้วทุกข์นะเหมือนกับยาเสพติดนะพวกเรารู้ไม่ใช่หรือว่าเวลาไปเสพยาเสพติดแล้วเป็นยังไงพอไปเสพยาเสพติดแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะติดมันจะต้องมีเสพอยู่เรื่อยๆ ถึงไม่ทุกข์แต่เราไม่สามารถที่จะหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่ไม่มียาเสพติดมาเสพเราก็จะทุกข์กันของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดนะเราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากได้เงินทองอย่าไปอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่าไปอยากให้คนเขายกย่องสรรเสริญเยือนยอ อย่าไปอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมือมาหาความสุขจากการทำใจของเราให้สงบดีกว่าเพราะเราต้องมีใจที่สงบถึงจะสามารถฝืนความอยากได้พอเราได้ปัญญาขั้นที่สองแล้วรู้แล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยมไม่ใช่ของเราเราต้องการที่จะหยุดความอยากที่ไปอยากในสิ่งเหล่านี้ เราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบมานั่งสมาธิมันจริญสติพุธโธพุทโธพุทโธเพราะเราจะต้องมีสติเราถึงจะหยุดความคิดได้ถ้าอยู่เฉยๆอย่างนี้นั่งเฉยๆอย่างนี้ถ้าไม่มีสติคอยคุมใจ มันก็จะคิดของมันไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่มีวันหยุดเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขานี่ยมันจะไม่หยุดของมันเองถ้าเราไม่เหยียบเบรกถ้าเราต้องการให้รถที่วิ่งลงเขานี้หยุดเราต้องคอยเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกแล้วเดี๋ยวรถที่วิ่งลงเขาก็จะต้องชะลอตัวลงแล้วก็หยุดไปในที่สุดได้ฉะนั้ความคิดของเราก็เหมือนกันมันก็คิดอยู่ไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับรถวิ่งลงเขานี่แหละ ถ้าอยากจะให้ความคิดของเราหยุดนี่เราต้องเหยียบเบรกคือเราต้องมีสติถ้าเรามีสติแล้วเดี๋ยวต่อไปความคิดของเรามันก็จะหยุดเองแต่มันไม่หยุดทันทีพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นมามันก็ยังวิ่งได้อยู่มันก็ยังคิดได้อยู่เหมือนกับรถเวลาที่เราเหยียบเบรกขรั้งแรกมันก็ไม่ได้หยุดทันทีเราต้องเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบไปเรื่อยๆจนกว่ารถมันจะหยุด อันใดการใช้สติเพื่อมาหยุดความคิดก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องใช้สติไปเรื่อยๆสติที่เราต้องใช้ก็คือคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เองให้เราหมั่นลราเลือกถึงพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะหยุดความคิดต่างๆได้ถ้านั่งเฉยๆจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ นั่งเฉยๆแล้วก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่งเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <Yeah. S 1> พอเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วเรามีกำลังที่จะหยุดความอยากแล้วทีนี้เราก็จะ สามารถหยุดความอยากต่างๆได้เวลาที่เราออกจากสมาธิมาใจก็เราก็จะเริ่มคิดอีกนั่นมันก็จะคิดไปหาไปตามความอยากอี ก, อ ย, กยอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นอะรอีกแต่ตอนนี้เรามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิพอปัญญาบอกว่าอย่าไปนะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์นะ เพราะว่ามันไม่เที่ยมมันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีดับมีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็มีลง <Yeah. S 2> สังเกตไ้มเวลาได้ลาบมาก็ดีใจกันได้เงินได้ทองมาก็ดีใจกันพอเงินหมดก็เป็นไงยังดีใจกันอยู่วปะปะนี้ก็ทุกข์ก็สิจะหาเงินที่ไหนมาใช้ดีเนาะ <Yeah. S 2> ไม่เห็นทุกข์กันเห็นแต่สุขจากการมีเงินแต่ไม่เคยคิดว่าเงินที่ได้มามันจะมีวันหมดได้ yeah. ต้องคิดว่ามันต้องหมดแล้วมันจะต้องทุกข์อย่าไปมีเงินดีกว่าอย่าไปติดเงินทองมาติดสมาธิดีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องเสียงเงินทองไม่ต้องใช้เงินทองแล้วได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆอีกพอเรามีสมาธิแล้วทีนี้เราก็เลิก ไ, เล ก, กได้เลิกอยากได้เงินทองเลิกอยากได้อะไรต่างๆได้ อสมาที่และปัญญาที่เราได้มีนิจกลายเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมานี่เองจะมาตัดสังโยชน์ต่างๆที่ผูกใจของเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทําถ้าพวกเราอยากจะได้อริยทรัพย์เราอยากจะได้การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราเป็นกันอยู่ขณะ น, นี้พบนี้ชาตินี้ไม่ใช่เป็นชาติเดียวของพวกเรานะที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นชาติที่ไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วเนี่ยพวกเรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆตายไปแล้วทิ้งร่างกายนี้ไปเดี๋ยวไปรับผลบุญผลบาปเสร็จก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่อีกมาเป็นลูกมาเป็นหลานอีกเนี่ยเนี่ยลูกหลานของเรานี่ยเขา เขามารอบสองแล้วรอบหนึ่งเขารอบที่แล้วเขาตายไปแล้วพอเขาตายไปดวงวิญญาณเขาก็ไปรับผลบุญผลบาปในนรกบ้างในสวรรค์บ้างพอหมดบุญหมดบาปก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นเด็กทารกเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเหมือนเป็นเหมือนผู้ใหญ่เหมือนพวกเราแล้วต่อไปก็ต้องเป็นผู้แก่แล้วก็ต้องเป็นผู้เจ็บแล้วก็ต้องเป็นผู้ตายต่อไป ตายแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดอีกเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่รู้กี่แสนล้านกี่แสนล้านชาติแล้ว <c oughs> ท่านบอกว่าถ้าเราน้ําตาที่เราร้องไห้กันในขณะที่เรามาเกิดนี้ถ้าเอามารวมกันนี่น้าตาของพวกเรานี้มากยิ่งกว่าน้ำในทะเลเน้าตาของพวกเราที่หลังนี้มากกว่าน้าในมาหาสมุทรอีก คิดดูก็แล้วกันว่าต้องกลับมาเกิดมาร้องไห้กันสิกี่ครั้งด้วยกัน <c oughs> ถึงจะมีมน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร <c oughs> นั่นแหละคือปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดของเราแล้ว <c oughs> กไ็ไม่จบในตอนนี้ด้วยหลังจากที่เราตายไปอย่าไปคิดว่าเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วถ้าเรายังไม่ได้อริยสัพท์ถ้าเรายังไม่ได้นิพพานเราก็ยังต้องกลับมาเกิดอีก <c oughs> ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาที่พวกเราพบกันอยู่อยู่ยเรื่อยๆก็คือความทุกข์จากเหตุการณ์ต่างๆนี้เราต้องแก้ด้วยการหยุดการมาเกิดและการจะหยุดการมาเกิดได้ก็ต้องตัดสังโยชน์เชือกที่รัดใจของเราให้กลับมาเกิดกันในไตไตพบนี่สังโยชน์นี้ก็มีอยู่ส0บข้อด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วน เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูงแบ่งไว้อย่างละห้าข้อสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อสังโยชน์เบื้องสูงห้าข้อด้วยกันสังโยชน์เบื้องต่ำนี้ถ้าเราต้องการได้อริยทรัพย์ขั้นที่หนึ่งเราต้องตัดสังโยชน์สามเส้นด้วยกันสามข้อด้วยกันที่เป็นตัวรัดใจของเราให ทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายก่อน <Yeah. S 1> สังโยชน์ที่เราต้องละ ก, ก็คือหนึ่งสักกายทิฏฐิ <Yeah. S 1> สองวิจิตกิจฉาความนังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลรัตพะะัฒนปรามาตความรูปคำในศีล <Yeah. S 1> อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดให้ได้ก่อน <Yeah. S 1> จะต้องตัดด้วยปัญญา คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือเราต้องพิจารณาสิ่งที่ทำให้เรามีสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินี้แปลว่าความหลงหลงที่ไปคิดว่าร่างกายของเรานี้เป็นตัวเราของเรานี้เองร่างกายและความรู้สึกเช่นความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดเป็นต้นและร่างกายนี้ความจริงเขาไม่ใช่ตัวเรา เขาไม่ใช่เราเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายแต่เราไม่ตัวเราไม่มีรูปร่างหน้าตามันร่างกายพอเรามาเกาะติดกับร่างกายเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นเราขึ้นมาแล้วเราก็เลยไปรักไปหวงไปห่วงร่างกายขึ้นมาความรักความหวงความห่ว ง, ววงก็เลยทําให้เราทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายแก่ใจเราก็ทุกข์ลว พอเห็นผมหออขึ้นมาเส้นหนึ่งก็ไม่สบายใจแล้วพอเห็นหนังหย่อนหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเวลาเห็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สบายใจเวลาเห็นคนตายแล้วคิดว่าเราอาจจะต้องตายสักวันหนึ่งก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายนั่นเองแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายตายไปเราก็ยังอยู่ เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้คอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเร่านี่คือผู้รู้ผู้คิดวันนี้เราคิดว่าเราจะมาวัดกันจะมาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็สั่งไปที่ร่างกายว่าออกเดินทางนะลุกขึ้นยืนถ้ามีรถก็ขับรถมาไม่มีรถก็อาศัยรถคนอื่นมาอันนี้ใจเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งใจเหมือนคนขี่มา้า แล้วร่างกายก็เป็นเหมือนมา้าคอยรับคําสั่งของคนขี่มา้าม้ากับคนนี้ไม่ได้เป็นคนเดียวกันเวลาม้าตายไปคนขี่ไม่ได้ตายไปกับมา้าอยั้นใดเวลาร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยากก็จะไปหาร่างกายใหม่เหมือนกับไปเปลี่ยนม้าใหม่ม้าตัวนี้ตายไปคนที่ยังต้องการขี่ม้าอยู่ก็ต้องไปหาม้าตัวใหม่มาขี่ต่อ ใจที่ยังต้องการมีร่างกายอยู่พอร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเบื้องต้นนี้เราต้องการที่จะสอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับร่างกายไม่ไปกังวลกับร่างกายและไม่ไปอยากมีร่างกายเพราะการมีร่างกายแล้วทำให้เราทุกข์กันเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเป็นไตรลักษ คือหนึ่งไม่เที่ยงร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเหมือนดินน้ํำลมเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้เราไปสั่งให้ฝนไม่ตกไม่ได้สั่งไม่ให้แดดออกไม่ได้ฉันได้เราไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกขกับร่างกายเราก็ต้องปล่อยร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติเราจะแก่ก็ต้องปล่อยให้เขาแก่ไปเขาจะเจ็บก็ต้องปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะตายก็ต้องปล่อยเขาตายไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามรักษาได้ก็อยู่ไปได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็ไม่สบายใหม่เดี๋ยวก็เจ็บใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีรอดพ้นจากความตายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ความตายมันก็รอเราอยู่ดี ถ้าเราอยากไม่ตายเราก็จะทุกทุกครั้งที่เราคิดถึงความตายแต่ถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปพอเรายอมรับความจริงได้เห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตายรักเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปเพราะเราจะหยุดความอยากได้เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอเราหยุดความอยากนี้ได้ใจก็หายทุกข์เราก็จะเห็นอริยสัจสี่ภายในใจของเราอ๋อความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยากให้นั่งกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ยอมรับความจริงเสียแล้วก็ปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตาย พอปล่อยได้ใจก็หายทุกข์ก็จะเห็นอริยสัจสี่ครบทั้งสี่องค์เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากเห็นนิโรธคือการดับทุกข์เกิดจากมรรคคือปัญญาที่เห็นใจรักนี่เองเราก็จะเห็นธรรมก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเรา ผู้ใดที่เห็นเราคือผู้นั้นเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั่นเองเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะละสังโยชน์ข้อที่สองได้แล้วเราก็จะละสังโยชน์ข้อที่สคือการลูกรำศีลได้เราจะไม่สงสัยในความจําเป็นในความสําคัญของศีลเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราทําบาป ใจเราจะทุกข์ขึ้นม า, าทันทีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องไม่ทำบาปเลยต้องหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเราหยุดความอยากได้นูน่นได้นี่ได้เราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะไม่ไปทำบาปเพื่อจะได้สิ่งที่เราอยากได้เราพอเรารู้ว่าถ้าเราไปทำบาปมันจะทำให้ใจเราทุกข์เราก็จะไม่มีความสงสัยเครือบแคงในในเรื่องของการรักษาศีล พระโสดาบันผู้ที่บรรลุผู้ที่ตัดสังโยชน์สามข้อได้ได้จะรักษาศิ่งยิ่งกว่าชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้มันรักษาไงก็รักษาไม่ได้มันก็ต้องตายไปรักษาชีวิตด้วยการทำบาปมันก็จ ะ, ะทําให้ใจไปต้องไปตกตะลกไปเปล่าๆทูปล่อยให้มันตายไปดีกว่าตายไปโดยที่ไม่ไปทำบาปก็จะทําให้ไปสวรรค์หรือไปนิพพานกันต่อไป น, นี่คือการละสังโยชน์สามข้อแรกละด้วยการละสักกายทิฐิด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะแก่จะเจ็บจะตายห้ามมันไม่ได้ต้องปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเราไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ และถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเรามีความสุขได้ตรงที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายเพรงั้นก่อนที่เราจะละร่างกายได้เราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องฝึกสมาธิให้ได้ทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนและการที่จะทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้เราก็ต้องรักษาสิ้นแปดให้ได้ก่อนเพราะถ้าเรายังรักษาศิ้นแปดไม่ได้เราก็ยังจะไม่มีเวลามาปฏิบัตินั่งสมาธิกันนั่นเอง เราก็จะเวลาไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันแต่พอเรามาถือศีลแปดั๊บไปไหนไม่ได้นะถามญาติโยมที่มาถือศีลแปดเดือนไปดูหนังฟังเพลงได้หรือเปล่าไปกินไปดื่มอะไรได้เปล่านอกเวลาไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้หรือเปล่าทําไม่ได้บังคับให้มานั่งสมาธิอย่างเดียวถือศีลแปดแล้วก็มานั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบเพื่อจะได้พบกับความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่จะได้ผ่านทางร่างกายพอได้ความสุขที่ดีกว่าผ่านทางร่างกายก็จะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขอีกต่อไปก็จะปล่อยวางร่างกายได้จะปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนไม่ไม่แก่เราก็ไม่ได้ใช้มันเพราะเราถือศีลแปดเพราะเรานั่งสมาธิหาความสุขกันเราไม่ต้องใช้ร่างกายต้อง เป็นร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่ต้องสวยต้องงามไม่จำเป็นแล้วร่างกายจะแก่จะเหี่ยวจะย่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขเพราะเราได้ความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วเรามีปัญญาเห็นว่าการไปยึดไปติดกับร่างกายจะทำให้เราทุกข์จะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อ ย, อยพอเราเห็นความจริงแล้วเราหยุดความอยากได้ ความอยู่ความอยากของในร่างกายได้เราก็จะตัดสังโยชน์ได้แต่การที่เราจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงได้แต่ยังไม่หมดพระโสดาบันเนี่ยพระอริยขั้นที่หนึ่งนี้จะทําให้ผู้ที่ได้บรรลุถึงนี้จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดมากกว่าเจดชาติเป็นอย่างมากแต่ยังตัดไม่หมดยังมีสังโยชน์เส้นอื่นที่คอยรัดดึงใจให้กลับมาเกิดอยู่ แต่ตัดสามเส้นนี้ได้จะทําให้การกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่เกินเจชาติเป็นอย่างมากและเวลาตายไปก็จะไม่ไปอบายเพราะจะมีปัญญาที่จะรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปไม่ให้ไปสู่อบายได้แล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ผู้ที่ตัดสังโยชน์สามข้อแรกนี้ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอินเดียก็ได้ไม่ต้องไป กราบไหว้ภูเชนีสถานสี่สถานก็ได้เพราะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วว่ามีจริงหรือไม่ผู้ที่ยังไปอินเดียอยู่นี่แสดงว่ายัางยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าต้องไปดูที่เกิดเกิดตรงนี้เหร อ, อบรรลุตัดสั้นรู้ธรรมที่ตรงนี้เหร อ, อแสดงธรรมครั้งแรกที่ตรงนี้เหร อ, อตายที่ตรงนี้เหรอ ต้องไปดูสถานที่ก่อนถึงจะเชื่อว่า อ, อ๋อไม่ใช่เป็นนิทานไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมาแต่งกันขึ้นมาเป็นเรื่องจริงแต่ไปจริงๆก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ดีไปเพียงแต่เห็นสถานที่เท่านั้นเองสถานที่เราไปเห็นวันนี้กับสถานที่ในสมัยก่อนก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีศรัทธาความเชื่อว่าออที่เขาที่เกิดของพระพุทธเจ้าที่ตัดสั้ของพระพุทธเจ้า ที่แสดงธรรมั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่นิพพานของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้แสดงว่าถ้ามีสถานที่ก็ต้องมีตัวตนต้องมีตัวพระพุทธเจ้าก็อาจจะทำให้คนที่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นจริงหรือไม่ก็อาจจะเกิดความเชื่อขึ้นมาได้เกิดศรัทธาขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระพุทธเจ้านี้เป็นพ่อของเราก็จะมานับถือพระพุทธเจ้าเป็นพ่อต่อไปได้ สำหรับคนที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมนะก็ต้องอาศัยการไปท่องที่ไปเยี่ยมสถานศีสถานที่เกิดสถานที่ตัดสลูสถานที่แสดงธรรมสถานที่ตายของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะทาให้เกิดศรัทธาแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมตัดสังโยชน้อ น, นี้ได้ไม่จำเป็นต้องไปไม่รู้ไปทำไมเมื่อมีความมั่นใจร้อยเอร์เซ็ว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นคําสอนที่แท้จริงที่ถูกต้องเป็นสวากขาโตพระวาตาธโมใครปฏิบัติตามได้ก็บรรลุได้หลุดพ้นไดน้ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปประเทศอินเดียลองศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์รุ่นยุคสมัยใหม่นี้ดูตั้งแต่หลวงหลวงปู่มั่นลงมานี้หลวงปู่มั่นไม่เคยไปประเทศอินเดียแต่หลวงปู่มั่นท่านไม่เคยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่สาวกของพระพุทธ สาวกของหลวงปู่ม่นทั้งหลายครูบาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครไปอินเดียกันท่านท่านไปอินเดียในใจดีกว่าไปดูที่เกิดแก่เจ็บตายในใจดีกว่าด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาพอได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาก็จะสามารถตัดสังโยชน์ได้พอตัดสังโยชน์ได้ก็จะเห็นก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นธรรม เห็นว uh, at e. at oh, oh, th ่าอริยสัจสีนี้อยู่ในใจของเรานี่เองเห็นเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่พอเห็นแล้วก็สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้พอดับความทุกข์ได้ก็รู้ว่าธรรมนี้เป็นของแท้ของจริงธรรมที่สามารถพาให้เราไปสู่วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ในเบื้องต้นหยุดความทุกข์ในระดับขั้นแรกได้คือขั้นพระโสดาบัน ความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายนี้จะหมดไปนะจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเวลาแก่ก็เฉยดูกูบาอาจารยนะ์ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแม้หน้าตาท่านเศร้าหมองนะแต่ว่าหลังจะเหี่ยวย่นอายุแปดสิบเก้าสิบปีท่านก็ยังหัวเราะท่านก็ยังมีความสุขอยู่เพราะท่านไม่ไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายแล้ว พวกเรายังไม่ทัน80ในเพียง30เห็นผมหงอกหงายก็เริ่มทุกข์กันแล้วเริ่มกังวลกันแล้วเพราะเรายังมีความมีสังโยชน์อยู่ยังมีความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอยู่ยังไปคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่กับเราไปนานๆาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่นั่นเองพอมันเริ่มสแสดงอาการขึ้นมาหน่อยก็ทําให้เราทุกข์แล้วเพราะเราไม่มีปัญญา เราไม่เอามา ส, สอนใจเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเกิดไปแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องสอนนี่คือปัญญาตายอนนี้จังเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้จังถ้าอันนี้จังเราก็จะทําให้เราทุกเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายมันก็จะทําให้เราทุกแต่มันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้น พอเรามาพิจารณาอยู่เนืองๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้ร่างกายนี้เราห้ามมันไม่ได้นะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรามีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็สามารถหยุดความทุกข์ได้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าเราปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้นี่คือ การตัดสังโยชน์สามข้อแรกเพื่อให้เราได้รับอริยรัพย์ขั้นที่1ถ้าเป็นเงินก็นเหมือนรับแบงค์ยี่แบงค์ห้ไปก่อนแล้วถ้าอยากได้แบงค์ร้อยแบงค์ห้า้อยแบงค์พันก็ต้องตัดสังโยชน์เพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกถ้าอยากจะได้ขั้นที่สองขั้นที่สมก็ต้องตัดสังโยชน์อีกสองข้อคือข้อ1ก็คือการมราคะความอยากเสพกาม ความอยากร่วมหลับนอนกันเนี่ยเรียกว่ากามราคะแล้วก็ปฏิฆะความหงุดหงิดลำคาญใจสองข้อที่มันมาด้วยกันความหงุดหงิดลำคาญใจมันเกิดจากกามราคะเวลาเกิดความอยากเสพกามแล้วมันหงุดหงิดไหมอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาไหมถ้าอยู่ใกล้แฟนนี่มันหายเหงาหายหงุดหงิดแต่พอไม่ได้อยู่ใกล้แฟนนีห่หงุดหงิดขึ้นมาทันทีเพราะมันเกิดจากกามาราคะ วิธีที่จะทําให้การมาราคะนี้หายไปทําให้ความหุ่นหงินหายไปก็ต้องพิจารณาร่างกายของแฟนว่าไม่สวยไม่งามต้องดูร่างกายของแฟนตอนที่เวลาตายแล้วเป็นยังไงเวลาแฟนตายเราจะเก็บไว้ในบ้านไหมหรือจะยกให้สับเปลลเลยรักกันขนาดไหนโหวงกันขนาดไหนพอไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีใครอยากจะเก็บไว้ในบ้านะเนี่ยยต้องพิจารณาสุภาษะมาร่างกายนี้ มันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดหรอกมันสวยงามแค่ปลายจมูกนี่เองพอมันยังมีลมหายใจอยู่มันก็ยังพอดูได้พอมันไม่มีลมหายใจแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าเฟะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็บวมขึ้นมาเดี๋ยวก็อะไรต่างๆในร่างกายก็จะไหลออกมาน้ําต่างๆก็จะไหลออกมาพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราตัดการมราคะได้เวลาเกิดการมราคะก็คิดถึงร่างกายที่ไม่สวยงาม หรือมองเข้าไปใต้ผิวหนังก็ได้ใต้ผิวหนังร่างกายมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่เรามองไม่เห็นกันมีตับไตไส้พุงมีปอดมีหัวใจมีอะไรต่างๆเยอะแยะที่เราไม่อยากจะมองกันพอมองแล้วมันทําให้การอารมณ์มันหายไปพอการอารมณ์หายไปควาหมหุดหงิดก็หายไปเราก็จะได้บรรลุ ข, ขั้นที่สองและขั้นที่สามขั้นที่สองนี้คือทําให้มันเบาบางลงแต่ยังไม่หมด คือหายไปครึ่งหนึ่งทําให้การมารมณหายไปครึ่งหนึ่งบางเวลาก็ยังมีบางเวลาก็ไม่มีแต่ถ้าได้ขั้นที่สามนี้ไม่มีเลยการมารมหายไปหมดเลยพอทุกครั้งที่เกิดการมารมจะเห็นร่างกายกลายเป็นซากศพทันทีเห็นร่างกายของแฟนกลายเป็นซากศพทันทีก็เลยไม่อยากจะมีแฟนอีกต่อไปไม่อยากจะอยู่กับแฟนอยากจะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเพราะไม่ต้องการไม่ต้องเสพการมารมแล้ว ใจที่ได้ตัดสังโยชน์อีกสองข้อนี้ก็จะลดความทุกข์ให้น้อยลงไปอีกทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย <Mount> ์อีกต่อไปผู้ที่ตัดสังโยชน์ได้5้าข้อแรกนี้ตายไปจะไปยังต้องไปเกิดในโพรหมโลกแต่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะบรรลุพระนิพพานต่อไปถ้าตัดสังโยชน์อีกห้ข้อได้ก็จะได้นิพพานในวิมุตติได้หลุดพ้นอย่างร้อยเนต ขั้นที่หนึ่งก็หลุดพ้นส่วนหนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สาก็หลุดพ้นอีกส่วนหนึ่งพอได้ขั้นที่สี่คือขั้นพะระอรหันตัดสังโยชน์เบื้องบนอีกห้าข้อได้หมดก็หลุดพ้นอย่างถาวรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้วิมุติร้อยเปอร์เซ็นตได้ไปอยู่ในนิพพานเหมือนจากย้ายจากที่นั่งกลางแดดนี้เข้าไปนั่งใต้ร่มพอไปนั่งใต้ร่มแล้วรู้สึกเย็นสบายเวลานั่งกลางแดดเราจะรู้สึกร้อน ถ้าไม่เชื่อคนที่นั่งอยู่ในร่มน้องออกมานั่งกลางแดดดูสักพักเลยเราจะดูว่าเป็นยังไงนั่นแหละสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนนั่งกลางแดดเนี่ยส่วนพระนิพพานนี้ก็เหมือนนั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้จิตใจเราไม่ได้สูญนะเวลาไปถึงนิพพานบางคนคิดว่าพอไปถึงนิพพานแล้วสูญสิ่งที่สูญไม่ใช่จิตใจสิ่งสิ่งที่สูญคือความร้อนเนี่ย เวลาเราย้ายจากที่ร้อนไปนั่งที่เย็นความร้อนมันก็หายไปมันศูนย์ไปเวลาเราได้นิพพานเราก็ได้วิมุตติไงคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ร้อนใจต่างๆก็จะหายไปหมดท่านหมายความว่าศูนย์ศูนย์จากความทุกข์ร้อนต่างๆแต่ใจไม่มีวันศูนย์ใจศูนย์ไม่ได้ใจไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายไม่ว่าจะอยู่ในนิพพานหรือไม่อยู่ในนิพพานมันก็ไม่ตายต่างกันที่เท่าอยู่ในที่ไม่ อยู่ในสังสารวัฏมันก็จะร้อนมันก็จะทุกข์ถ้ามันอยู่ในนิพพานมันก็จะเย็นมันก็จะสุขนั่นเองนี่คือมรดกที่พระพุทธเจ้าอมอบให้กับพวกเราทุกคนที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่เป็นชาวพุทธเราต้องเปิดอ่านพินัยกรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีที่จะรับมรดกการ้นนําค่าจากของพระพุทธเจ้านี้ ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้วิธีที่จะรับมรดกนี้ได้แต่ถ้าเราศึกษาแล้วเดี๋ยวไม่นานเราก็จะได้รับมรดกอันล้าค่านี้เราก็จะได้พบกับวิมุติการหลุดพน้นพบกับพระนิพพานบรมมาสุขของพระนิพพานนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสรรพโลกวินัสตุมาเตผวตวันตารายุสุขีทิคายุโกผวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโน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 ผู้ชมทางเฟ e บุ๊กมี452ท่าน y o ย t u b e 250ท่านวิทยุออนไลน์10ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ225ท่านรวมเป็น937ท่านเจ้าค่ะเดินทางาได้เลยจ้ะเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏินะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ คนตรงข้ามบ้านที่อยู่ดูสัญญาณมือถือไวไฟดักฟังโทรศัพท์ของเราขอคำแนะนำพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ทำยังไงเหรอ <c oughs> ก็อย่าใช้มันเลยแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ <c oughs> เลยเขาดักฟังเราก็เอาข่าวปลอมให้เขาฟังเลยพูด <c oughs> เรื่องปลอมให้เขาฟังเลยอย่าไปพูดถ้ารู้ว่ามีคนดักฟังแล้วก็อย่าไปพูดเรื่องที่ เป็นอันตรายกับเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหรือก็อย่าไปใช้มันนนหรือไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยจัดการให้คำถามต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากุฏิคะ่ะเรื่องสีลข้อสามถ้ามีคนที่มีครอบครัวแล้วมาคบกับเราบอกว่าเขากับภรรยาเกลียดกัน ไม่มีอะไรการปีกว่าแล้วเราจะคบกับเขาอย่างไรไม่ให้ผิดสินข้อสามก็ไปถามเมี้เขก่อนเ๋ย <c oughs> ว่าเรากันจริงวีอย่าไปฟังข้างเดียวเอ้ <c oughs> จะได้รู้แล้วรู้รอดไปคำถามต่อไปจาก YouTube ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ็ด <c oughs> ชาติที่เหลือของโสดาบันหรือชั้นอื่นๆ ได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อเนื่องกันเลยไหมคะหรืออาจมีเกิดเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วมันรวมอยู่ในเจชาตินี้ไหมคะก็เจดชาติในกามภพนะอาจจะเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่ยังอยู่ในกามะภพอยู่พระโสดาบันนี่ยังติดกามอยู่ยังติดเรื่องการเสพกามอยู่งั้นก็ไม่ต้องไปกังวลหรอกพบไหนขอให้รู้ว่าเป็นกามะภพก็แล้วกันอาจจะเป็นเทวดา ตายไปอาจจะไปเป็นเทวดาก่อนแล้วก็พอหมดแล้วก็ลงมาเป็นมนุษย์ต่อห <c oughs> รือาอาจจะบรรลุจากชั้นชั้นเทวดาไปเป็นพรมไปถ้าตัดสังโยชน์ตาย <c oughs> ก็ถ้าปฏิบัติต่อไป <c oughs> ก็อาจจะไม่ถึงเจดชาติก็ได้ <c oughs> บางทีชาตินี้พอบรรลุโสดาบันแล้วมันก็เร็วแล้วพอผ่านขั้นโสดาบันไปได้ขั้น ขั้นเดียวนี้มันรู้สึกมันจะง่ายขึ้นเพราะมันรู้มันรู้แนวแล้วรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนั้นบางคนนี่พอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่นี่ตามมาอย่างรวดเร็วถ้าถ้าไม่หยุดปฏิบัติถ้าถ้าได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ไปหยุดปฏิบัติก็ก็จะแช่อยู่ตรงนั้นคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกสาวเก้าขวบฝากถามค่ะ ถวายข้าวพระอาหารหันต์กับพระธรรมดาได้บุญแตกต่างกันไหมคะอ๋อคนถวายได้เท่ากันถวายพระธรรมดาถวายพระอาหารหันต์นี้สมมติว่าถวายข้าวร้อยบาทก็จะได้บุญร้อยบาทเท่ากันแต่จะได้ของแถมจากพระอาหารหันต์กับพระธรรมดาไม่เหมือนกันพระธรรมดาก็ให้ของธรรมดาเป็นผลตอบแทนเช่นให้พรยัดถาไป ถ้าละหันก็จะให้ธรรมะแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะบรรลุธรรมได้ต่างกันตรงนั้นคำถามจากคุณนัธกิจญาเทียมภาวนาพุโทโธตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงได้หรือไม่ครับไม่ได้เราก็ต้องนอ น, น, นมีเวลาพักนอนบ้างแต่เวลาตเ่ยนนะควรจะพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวัน ถ้าทำได้เดี๋ยวไม่ไม่นานก็บรรลุได้ขอให้ทำได้จริงๆเถิดถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพุดโทรไปทั้งวันได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้นั่งสมาธิจิตก็รวมได้พอเอาปัญญาพทธเจ้าสอนมาพิจารณาสังขารร่างกายว่าไม่เที่ยงดี๋ยก็บรรลุได้รวดเร็วขอให้ได้สติเถิดได้สติแล้วมันเหมือ น, นได้จุดไฟแนละ้วพอจุดไฟพอเชื้อไฟมันถูกไฟแล้วนี่มันก็จะลามไปของมันเอง ปัญหาคือไม่ขีดแล้วมันเปียกจุดยังไงมันก็ไม่ติดสักทีไฟมันก็เลยไม่ลุกปัญญามันก็เลยไม่เกิดเพราะสติเราแบบล้มลุกคุกขานพุทโธได้สองสามคำหายไปแล้วไปคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นคนนี้นะมันก็เลยมันก็เลยไม่ลุกสักทีไฟแห่งธรรมไม่ลุกพอไฟแห่งธรรมไม่ลุกมันก็เลยมันไม่ไหม้มันไม่เผากิเลส คำถามต่อไปจากคุณพอทองคำชาวพุทธแท้จริงเป็นอย่างไรอะไรนะช า, ชาวพุวพทธแท้จริงเป็นอย่างไรชา ว, วาชาวพุทธชาวพุทธแท้จริงเป็นอย่างไรเจ้าค่ะว่ชาวพุทธแท้จริงคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทำตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนคือให้ร่าเรียนขับสอนปฏิบัติตามคาสอนเช่นทาทานเป็นประจำ แทนที่จะเอาเงินไปซื้อของช้อปปิง้งซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาเงินไปทำบุญทาทานแทนรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์วันพระก็รักษาศีลแปดแล้วก็ไปวดัดไปฝึกสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงควรจะปฏิบัติธรรมเหล่านี้ให้ได้คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิทาไม ต้องมีนรกสวรรค์ให้ชดใช้บุญกรรมในเมื่อทุกคนก็ต้องกลับชาติมาเกิดและจําอะไรไม่ได้อยู่แล้วตายแล้วกลับมาเกิดเลยไม่ได้หรือครับทําไมต้องมีคุกตารางด้วยล่ะคนทําผิดเขาก็จะจับไปขังคุกขังตารางคนทํำบาปมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์ใจก็คือนรกนี่เอง ไม่ต้มันห้ามไม่ได้เวลาเราทำบาปใจเราจะทุกข์ขึ้นมานั่นละคืนนรกละนรกตัวอย่างเวลาตายไปก็จะได้ไปเจอนรกของจริงทำบุญเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจก็คือสวรรค์ตัวอย่างนะพอเราตายไปเราก็ไปอยู่ในสวรรค์จากการทำบุญของเรามันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นธรรมชาติของจิตใจที่เกิดจากการปฏิบัติของตน ทำแล้วก็มีผลตามมาเหมือนเหมือนรอยรอยเกวียนที่ตามล้อเกวียนไป mm hmm. ล, ล้อเกวียนมันไปไหนมันก็จะมีรอยของล้อตามไปตลอดทางอันใ mm hmm. ดกาบได้มีการทําบุญทําบาปตามนั้นก็จะมีนรกมีสวรรค์ตามมาถ้าเลือกทําบุญทําบาปได้ไปนิพพานได้นรกสวรรค์ก็จะไม่มีเกิดต่อไป mm hmm. คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะ วันนี้วันเกิดหนูยี่สิบสามตุลาคมก่อนหนูจะมาหนูปวดท้องตอนตีสามหนูอยากทราบว่าหนูเป็นอะไรคะแม่เกิดยี่สิบสี่ตุลาคมแต่แม่เสียไปแล้วคะ่ะอ๋อก็เป็นอนิจจงไงเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บนะไม่มีใครไปห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยได้นี่มันจะเลือกวันไม่ได้พอดีมันมาบางเอิญมาเจ็บตอนที่เรา เป็นวันเกิดของเราก็เป็นเพลงเหตุบังเอิญเท่า น, นั้นแต่ความจริงก็คือมันต้องเจ็บนะมันไม่เจ็บวันนี้ก็ต้องเจ็บพรุ่งนี้วันใดวันหนึ่งคำถามจากพี่ตุ่มมาเฟียชูเนียกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์เช่นพระโพธิสัตว์เทพเจ้าต่างๆเทวดาอินพรหมและองค์ศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ท่านสามารถมองเห็นมนุษย์ได้หรือไม่ครับแล้วแต่บางองค์บางองค์ก็ติดต่อกับมนุษย์ได้มนุษย์ที่จะติดต่อได้ก็ต้องเป็นมนุษย์ที่มีพลังจิตเช่นพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์บางรูปท่านก็สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้คําถามจากกคุณโกจากราบเรียนถามค่ะว่าการใช้เวลาไปปฏิบัติธรรม ถือศีลแปดอยู่วัดกับการใช้เวลานั้นไปเรียนอภิธรรมจะเลือกอย่างไรดีคะเออถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติดีกว่าถ้าเรายังไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ต้องไปเรียนก่อนเรียนวิธีปฏิบัติว่าวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องต้องปฏิบัติอย่างไรแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนอภิธรรมเรียนวิธีปฏิบัติสมาธิว่าเขาปฏิบัติอย่างไร พอรู้แล้วเราก็ไปไปปฏิบัติได้คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติคะ่ะถ้าอธิษฐานขอได้หนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่พระนิพพานเนื่องจากพระนิพพานต้องทำเอาเองควรขอสิ่งใดเจ้าคะก็ขอไม่ได้นะเพราะไม่มีสิ่งใดที่เราขอได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้เราต้องทำเองท่งนั้นงั้น เั็นสิ่งที่เราควรจะขอก็คือการไม่ขอต่อไปนี้เราจะไม่ขออะไรอีกต่อไปเราอยากจะอะไเราจะต้องทํามันเองจเจริญเหตุแล้วเ ห, เหตุมันก็จะพาเราไปสู่ผลที่เราต้องการต่อไปคําถามจากคุณอัชราคงสุขน้อมกราบเจ้าค่ะปุจฉายอมฝากปัจจัยทําบุญ แต่โยมข้างบ้านมีได้นำเงินที่โยมฝากไปทำบุญเจ้าค่ะแต่เขานาไปให้คนอื่นแทนใครได้บุญคะเราก็ได้บุญเท่าเดิมนนะ่ยเพราะว่าเราได้เสียสละเงินทองก้อนนั้นไปแล้วส่วนเงินนั้นจะไปถึงใครนี้มันก็เป็นเรื่องของผู้รับทั้นเองผู้รับที่เราตั้งใจอาจจะมีบุญแต่กรรมบงังก็เรายังไม่ได้ได้รับผลบุญที่เกิดจากการทาบุญของเรา เพราะกรรมมาบังไว้ก่อนชาติก่อนอาจจะเคยทําแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนเคยรับเงินของคนอื่นมาแล้วก็ไปเก็บไปใช้เองแทนที่จะไปทําบุญตามที่เขาขอร้องชาตินี้คนที่จะควรจะได้รับของก็เลยไม่ได้รับของไป mm. ก็ถือว่าเป็นกรรมของผู้รับไปน mm. แต่เป็นบุญของผู้ให้น mm. ผู้ให้ทําแล้วได้เสียสละเงินก้อนนั้นแล้วก็เกิดความอิ่มใจสุดใจขึ้นมาอันนี้ คำถามจากคุณไบรทกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะข้อหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าที่มีคารวะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุได้เลยนั้นหมายความว่าอย่างไรเขาตัดกิเลสได้เลยหรือรใช่หรือไม่คะใช่เพราะว่าเขามีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิปุเบขา หรู้ว่าจะต้องหยุดกิเลสก็หยุดได้ทันทีคำถามข้อที่สองได้ยินว่าบิดาของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมเพียงไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตนั้นทําอย่างไรหรือเป็นเพียงจิตสุดท้ายที่ปล่อยวางทุกอย่างได้คะเพราะมีพระพุทธเจ้าคอยสอนนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร ตอนที่ไม่ตอนที่สบายก็ไม่มีเวลามามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติเพราะคอยมัวแต่ไปคอยทำงานทำการอยู่แต่พอเวลาไม่สบายต้องนอนบนเตียงไปทำงานอะไรไม่ได้ก็เลยมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมพอมีพระพุทธเจ้ามาสอนภายในเจ็ดวันก็บรรลุธรรมได้ใช่คะ่ค่ะคำถามจากคุณกันนัทนานคงธนวัฒน์ข้อหนึ่ง เวลาดิฉันเห็นพระพุทธรูปหรือเวลาสวดมนต์ดิฉันชอบเกิดจิตที่เป็นอกุศลคือด่าหรือว่าพระในใจเป็นอย่างนี้เสมอแม้กระทั่งเป็นรูปจำลองของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ชอบนึกว่าในใจโดยที่ตัวเองไม่ได้อยากนึกแต่เหมือนมันบังคับจิตตัวเองไม่ได้และรู้สึกผิดและบาปมากทุกครั้งที่นึกเช่นนี้อยาก ถามพระอาจารย์ว่าอาการเช่นนี้เป็นกรรมเก่าอากุศลสัญญาที่ติดมาใช่หรือไม่เจ้าคะใช่มันเป็นกรรมเก่าเราเคยคิดแบบนี้มันก็เลยคิดแบบนี้ต่อไปแต่เราเปลี่ยนได้พอเราคิดปับ๊บเราก็หยุดมันได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วก็สอนใจว่าอย่าคิดแบบนี้คิดแบบนี้เป็นอกุศลไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเป็นโทษกับจิตใจน ต่อไปก็เลือกคิดได้คำถามข้อที่สองเวลาที่นึกว่าพระพุทธรูปในใจทั้งที่ตัวเองไม่อยากนึกแบบนี้เป็นบาปกรรมหนักหรือเปล่าเจ้าคะไม่หรอกการคิดลกถึงพระพุทธรูปนี้เป็นสัญญานิมิต ท, ที่ดีเพราะพระพุทธรูปนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาได้พอคิดถึงพระพุทธรูปก็จะคิดถึงพระธรรมคําสอน คดาา์ตา ม, มาไ้คำถามจากคุณน้ำครื่งแก้วธรรมชาติถ้าสิ่งที่เราอยากทำมันไม่ดีเป็นอกุศลแต่เราสามารถข่มใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลได้อยากทำแต่รู้ว่าผิดจึงไม่ทำเรียกว่าเป็นการชนะใจตนเองหมายเจ้าคะถูกต้องถ้าเรารู้ว่ามันผิดแล้วเราไม่ทำได้เราก็ถือว่าเราชนะใจของเราได้ ถ้ารู้ว่าผิดแล้วยังไปทําอยู่ก็แสดงว่ายังแพ้อยู่คําถามจากคุณพี่ตุล ม, มาเฟียจูเนียบุญและบาปเป็นสิ่งที่สมมติด้วยหรือไม่ครับยังไงนะถายไปทีเลยบุญหรือบาปเป็นสิ่งที่สมมติใช่หรือไม่ครับอ่าเนี่เป็นคําถามข้อสุดท้ายเนี่ยพรหมดเวลาแล้วบุญและบาปไม่ได้เป็นสมมติเป็นของจริงนะเป็นของที่เกิดจากการกระทําของเรา พอเราทําความดีเราเรียกว่าเราทําบุญทําแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่สมมตินี่เป็นความจริงบุญบาปนี่เป็นความจริงนรกสวรรค์เป็นความจริงนิพานนี่เป็นความจริงเป็นของจริงไม่ใช่ของแต่งกันขึ้นมาเหมือนนิยายไม่ใช่นิยายเป็นของจริงอย่งนั้นถ้าเราเชื่อได้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อนิพานได้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทําความดี ถ้าอยากจะไปนรกก็ทำบาปถ้าอยากจะไปนิพพาน ก, ก็ชาระใจให้สะอาดกาจัดกิเลสให้หมดนี่คือของจริงเช่นนั้นทางที่เราจะเลือกไปได้สามทางด้วยกันไปนรกไปสวรรค์หรือไปนิพพานเกิดจากการกระทาของเราทำาบาป ก, ก็ไปนรกทำบุญก็ไปสวรรค์กาจัดกิเลสได้ก็ไปนิพพานนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่สมมุติ